สมัยพุทธกาลนะมีหมอท่านหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าเป็นหมอเทวดานะคือหมอชีวกกะกรมรพัฒอันนี้คนที่เรียนแพทย์แผนไทยนี่ตนะ้องรู้จกักกันทุกคนนะหมอชีวากากะกมรพัฒน์นี่ก็เป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้านะประวัติก็น่าสนใจ เ, เฉพาะที่ย่อๆคือว่าเนี่ย ท่านเคยไปเรียนวิชาแพทย์นะจากอาจารย์นะทิ่สาปาโมกนะที่เมืองตากศิลาตากศิลานี่ก็เป็นเมืองที่เราได้ยินบ่อยนะในนิทานชาดกมีจริงนะอยู่ที่อัฟกานิสถานหมอชีวกเนี่ยนะซึ่งเราเป็นนักศึกษาก็เรียนอยู่หลายปีจนถึงปีที่เจ็ด ก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยยังต้องเรียนอะไรอีกหรือเปล่าเรียนจบหรื อ, อยังก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยทดสอบความรู้ด้วยการให้หมอชีวกเนี่ยถือเสียบไปอันหนึ่งแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่รอบเมืองตา ก, กศินลาในรัศมีหนึ่งโยชนึ่งโยชนี่มันก็เยอะนะเป็นกิโลอ่ะ แล้วก็ให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำเป็นตัวยาไม่ได้เอามาใช้ทำเป็นยาไม่ได้นะเป็นข้อสอบนะที่เรียกว่ามีข้อเดียวนะแต่ก็ยากทีเดียวนะเพราะาต้องสำรวจหมดเลยนะมาชีวก็ใช้เวลาอยู่นานสุดท้ายก็มารายงานกับอาจารย์ว่า ไม่มีอะไรเลยที่ใช้เป็นยาไม่ได้อันนี้ก็รวมไปถึงพวกวัชพืชนะหรือว่าพืชที่มีพิษนะพวกหมามุ่ยดอกอุติษทั้งหลายนี่มีประโยชน์หมดนะรวมทั้งยญาขาหมออาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอก็สำเร็จการศึกษาแล้วนะให้กลับบ้านได้นะท่นนี้น่าสนใจนะว่า ในบรรดาพืชพันธ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะที่ไม่มีประโยชน์ทำเป็นยาไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ส่วนไหนนะของพืชเหล่านั้นแม้กระทั่งพืชที่มีพิษมันก็ไม่ใช่มีพิษหมดนะเม็ดอาจจะมีพิษแต่ว่าเปลือกใบรากดอกมีประโยชน์ก็ได้ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความจริงที่นะใช้ได้กับทุกสิ่งนะที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแม้หลายเหตุการณ์เราจะไม่ชอบแต่ว่ามองดูดีๆนะหรือถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยมันมีประโยชน์เงินหายโทรศัพท์หาย มันไม่ได้หมายถึงความสูญเสียอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะได้จากเหตุการณ์นั่นก็ได้เช่นทำให้เรารู้จักไม่ประมาทนะเวลาจะวางของนะก็ระวัดระวังหรือว่าอาจจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางก็ได้นะอันนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าคนเราถ้าไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยก็มีแต่ทุกข์สถานเดียว โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็มีประโยชน์นะมันก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตไม่ได้สอนโดยตรงนะแต่ว่ากระตุ้นเตือนให้เราปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตกินให้ถูกต้องนะรู้จักพักผ่อนรวมทั้งรู้จักลดความเครียดด้วยนะความเครียกก็ทําให้เจ็บป่วยได้อันนี้พอเราปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วเนี่ย มันทำให้เรามีชีวิตที่ไม่ใช่แค่ปกติสุขเท่านั้นนะแต่ว่ามีความสุขได้ง่ายขึ้นเรียกว่าทำให้ชีวิตเรานี่รุ่มรวยมากขึ้นก็ได้มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วก็พยายามที่จะรักษาโรคนี้ขนาดอดอาหารควบคุมอาหารลดการกินไขมันกินน้ำตาลกินเนื้อ อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่จนกระทั่งก็พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นโรคหัวใจก็คือการอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนคนนี้แกก็ไม่ค่อยสูงสิงกบใครมีภรรยาภรรยาก็พึ่งยาไปแกกลัวตายนะก็เลยแทนที่จะเก็บตัวเหมือนเมื่อก่อนก็ออกไปเกี่ยวข้องผู้คนไปช่วยเป็นจิตอาสาไปอ่า เริ่มไปผูกสัมพันธ์กับผู้คนนะเปิดใจนะต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆคบค้าสมาคมกับผู้คนให้มากขึ้นบอกว่าโลกแก่เนี่ยบรรเทาไปได้เยอะเลยนะแล้วไม่ใช่แค่สุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพใจก็ดีขึ้นด้วยจากการที่ไม่เก็บตัวแล้วนะไป เป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือผู้อื่นนะมันทําให้มีความสุขใจแกถึงก็ขอบคุณเลยนะว่าขอบคุณโรคหัวใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแกคือทำให้แกเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ได้เปิดใจเข้าหาผู้คนนะสุขภาพกายไม่ได้เดียงเดียวสุขภาพใจก็ดีขึ้นกว่ากว่าก่อนที่เป็นโรคหัวใจด้วยนะ ลองดูดีดนะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแม้กระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดก็มีประโยชน์นะมันมีคนในโลกนี้นะประมาณสักเอาเป็นร้อยนะหลายร้อยทีเดียวที่เขา ม, มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครคือไม่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้จักเลยนะว่าความว่าเจ็บปวดเป็นอย่างไรเอาของแหลมมาทิ่ม เอาน้ำร้อนมาลวกนะหรือว่าโดนไฟเนี่ยไม่เจ็บนะไม่มีคำไม่มีการร้องนะไม่มีการโอดโอยดูเหมือนว่าเป็นโชคดีนะคนที่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเนี่ยยุงกัดก็ไม่คันนะแต่ว่าเขาพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยอายุจะสั้นอายุจะสั้นกว่าคนทั่วไป เขาศึกษาคนกลุ่มหนึ่งนั่นในปากีสถานนะเป็นเด็กก็เด็กกลุ่มนี้ก็มีลักษณะคล้ายกันคือไม่รู้จักคำว่าเจ็บไม่รู้จักคำว่าปวดแต่ปรากฏว่าเนื้อตัวนี่แผลเต็มเลยบางคนนี่ลิ้นเนี่ยกุดนะกุดไม่ใช่กุดน้อยๆ น, นะบางคนเนี่ยหายไปถึงหนึ่งในสามเพราะอะไรนะเพราะเวลากัดลิ้นเนี่ยมันไม่เจ็บเนี่ย เวลาเคี้ยวข้าวเผอกัดลิน้นไม่เจ็บก็เลยกัดหนักเข้าคนเราเนี่ยเวลาเรากัดลิ้นเนี่ยนะแม้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแต่พอเจ็บเนี่ยมันหยุดเลยนะหรือเวลาเราไปเหยียบ้นาเหยียบแก้วเนี่ยเหยียบแค่สัมผัสนิดหน่อ ย, เ, ยเราก็รู้สึกเจ็บแนละ้วพอเราเจ็บเราก็ยั้งเท้าแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่รู้จักยั้งเท้านะเหยียบเข้าไปเต็มที่ เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาเนี่ยไปถูกไปถูกความร้อนจากไอท่อไอเสียเนี่ยก็แช์ไว้อย่างงั้นแหละจนกันทั้งได้กลิ่นไหม้นะกลิ่นไหมจากขาตัวเองเนี่ยถึงค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมีแผลนะก็ไม่เยียวยารักษานะเพราะมันไม่เจ็บเนี่ยเวลามือเจ็บ นะมือบวมก็ไม่รู้จักถนอมมือก็ใช้มือจนไม่บรรยบัญญังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยมีแผลเต็มตัวก็เลยอายุสั้นนะเพราะว่าไม่รักษานะแล้วก็ไม่บรรยบัญญัตให้นะความเจ็บป่วยเนี่ยให้ความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติให้มานี่มีประโยชน์นะ มันให้มาเพื่อที่เราจะได้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอันตรายนะที่อาจจะคุกคามถึงชีวิตนะให้ใครที่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเนี่ยอันนี้ถือว่าโชคร้ายนะข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียมก็มากเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะแม้อารมณ์ที่อยู่ในใจเราเกิดขึ้นในใจ ก, ก็มีประโยชน์นะ เมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันมีหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะชื่อ Inside Out นะหลายคนก็คงได้ดูเนี่ยหลายคนก็แนะนำให้ตมาดูว่าเออหนังเรื่องนี้น่าสนใจเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่อยู่ในใจของเรานะเขาก็เลือกอารมณ์มาห้าแบบห้าตัวนะตัวโกรธนะตัวเกลียดตัวเกลียดนี่ก็ใช้ว่ารังเกียจนะนหรือขยกขยง ตัวกลัวนะตัวเศร้าแล้วก็ตัวสุขหรือลัลลานะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้มีแค่ตัวเดียวนะคือตัวลัลลาหรือตัวสุขนะแล้วคนเดี่ยวนี้นี่ก็ปรารถนาความสุขนะอยากจะสแสวงหาความสุขอยากจะให้มันมีอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนไม่อยากมีเลยนะไอ้โกรธเกลียดกลัวหรือว่า ยิ่งความเศร้าเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยยิ่งไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกับเราเลยแต่กระตัวเรื่องนี้นี่เขาชี้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ตัวรัลลานะที่มีประโยชน์นะไอตัวอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันความโกรธก็ช่วยทําให้เราตอบโต้วเวลาถูกแกล้งหรือว่ า, าถูกกระทำํำนะถ้าไม่รู้จักโกรธเลยถูกกระทําอย่างเดียวนี่มันก็แย่เหมือนกันนะ ความรังเกียจก็ดีเหมือนกันมันช่วยทำให้เราห่างไกลาจากสิ่งที่มันเป็นโทษนะกับตัวเราเช่นเดียความกลัวความวิตกนะมันทำให้เรารู้จักระมัดระวังอ่แล้วความเศร้าหรความเศร้าก็มีประโยชน์นะความเศร้าเนี่ยอย่างในกระตูเรื่องนี้เขาก็ชี้เห็นว่าเออเวลาเราเศร้าก็จะมีคนมาปลอบใจนะตัวตัวละครในเรื่องนี้เป็นเด็กอายุสิบสองเนี่ย นะซึ่งอยากจะมีชีวิตแบบล้านลาไม่ชอบเลยความเศร้าแต่สุดท้ายก็เห็นเลยนะว่าความเศร้านี่มีประโยชนนะ์มันทำให้คนเนี่ยมาให้กำลังใจเรานะมาช่วยเหลือเราทำให้รู้สึกอบอุ่นความเศร้าความเสียใจก็ทำให้เราไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดทำไปแล้วนี่ก็แก้แกตัวได้จะเหนียวจากบ้านก็รู้สึกเสียใจมันเตือนให้กลับมาดีกว่านะกลับมา หาพ่อแม่ยิ่งความเศร้านี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนอกจากที่ที่เล่ามาเช่นมันทําให้เรารู้จักเห็นใจผู้อื่นคนเราถ้าไม่มีความเศร้านะก็ไม่รู้ไม่รู้จักเข้าใจนะว่าคนเศร้าคนทุกข์ก็เป็นอย่างไรเมื่อเราเศร้าเราก็เห็นใจคนอื่นได้ง่ายเห็นใจคนอื่นได้เป็นแต่จริงๆคนเราเนี่ยนะมาเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราะความเศร้าเป็นตัวประสานก็เยอะนะ อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงปารีสคนตายก็ร้อยกว่าคนนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบคนไอ้ความเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผนึกประสานคนฝรั่งเศสให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศเลยแล้วมันใช่มันไม่ใช่แต่คนฝรั่งเศสนะคนทั้งโลกนะใจนี่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะเพราะว่าความเศร้า ความสงสารความเห็นใจนะชาวฝรั่งเศสมันทำให้โลกทั้งโลนี้นะผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็เหมือนกับตอนที่เกิดระเบิดที่สามพระพมนะคนไทยก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นถ้ารวมไปถึงคนในประเทศต่างๆด้วยถ้าคนเรานี่รวมกันได้เนี่ยสามัคคีกันได้เพราะความเศร้านะเพราะความเห็นใจนะให้มันมีประโยชน์นะ อารมณ์เหล่านี้ประโยชน์ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ประโยชน์ในทางโลกนะประโยชน์ทางโลกก็เช่นว่าทําให้เราะระมัดระวังนะในการใช้สิ่งของไม่วางของอขาดสติจนของหายหรือว่าทําให้เรารู้จักดูแลสุขภาพนะทําให้เราลักกันนะทําให้เรารู้จักปรับปรุงตัวเองเช่นเจอความล้มเห ล, ลวเราก็ได้เรียนรู้จักความล้มเหลวว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทํา คนเราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้มากกว่าความสําเร็จความสําเร็จเราพอเกิดขึ้นเราก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ความล้มเหลวมันทําให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทําอันนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ทางโลกนะเพราะว่ามันสามารถจะนําพาไป ส, สไู่ความสําเร็จได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นจากคนที่ผ่านความล้มเหลวมา ก, ก่อนอันนี้มันยังมีประโยชน์ทางธรรมด้วยนะประโยชน์ทางธรรม อย่างเช่นง่ายๆเนี่ยความเจ็บป่วยก็ทําให้หลายคนหันมาสนใจธรรมะนะโดยพอเจอโรคร้ายนะ mm. เช่นมะเร็งโรคหัวใจเนี่ย mm. ก็ทําให้หลายคนเข้ามาหาธรรมะเพราะกลัวตายนั่นแหละนะแล้วก็เชื่อว่าธรรมะนี่ยช่วยรักษาใจไม่ให้เครียดไม่ให้วิตกนะหลายคนเจ็บป่วยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็เลยมาปฏิบัติธรรม อย่างท่านโกเอนกาเนี่ยเป็นโรคไมเกรนอย่างแรงมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยให้รักษาโรคไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นสุดท้ายแล้วก็ต้องมาทดลองมาเข้าคอร์สนะกรรมฐานนะที่พมา่านะท่านโกเอก็นกาเป็นคนพมา่าสุดท้ายก็ได้พบธรรมะแล้วก็กลายเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากทั้งที่พื้นเพดเป็นคนทินดูแต่มาเข้าหาสมาทานพุทธศาสนาก็เพราะ โรคเพราะความป่วยบางคนนะธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้สินร้อยล้านพันล้านกลุมใจเครียดไม่รู้ทำไงก็ลองมาปฏิบัติธรรมดูก็พบธรรมะขอบคุณนะขอบคุณที่ล้มละลายขอบคุณที่เป็นหนี้เป็นสินเพราะถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินก็ไม่มีทางได้เจอกับธรรมะอันเป็นของประเสริฐ นี่คือเหตุการณ์นะเหตุการณ์ลบที่มันมีประโยชน์ในทางธรรมนะไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางโลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เหมือนกันนะก็มีประโยชน์ทางธรรมด้เหมือนกันนะให้ตัวความเศร้าความโกรธความเกลียดมันมีประโยชน์นะประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็คือมันสอนมันเป็นเครื่องฝึกสติให้กับเราดี๋างพวกเราเนี่ยมาเจริญสติเนี่ยถ้าเกิดว่าใจเราเรียบๆนะสงบอยู่ตลอดเวลานะ สติเราเติบโตช้านะบางทีกลับหลงมากขึ้นด้วยเพราะว่าไปเพลินในความสงบนะอันนี้ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัติธรมรมหลวงพ่อเทียนเนี่ยทำไมท่านสอนให้เปิดตาแล้วก็ยกมือแทนที่จะนั่งหลับตานิ่งๆเพราะว่ามันทำให้มีความสงบเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเกิดเราหลับตาให้ความสงบก็ดีนะมีประโยชน์ แต่ว่ามันก็เป็นกับดักเหมือนกันเพราะทำให้คนเนี่ยติดในความสงบแล้วก็เลยหลงเลยนะหลงเพลิดความสงบแล้วพอเพลิดความสงบนะพอเสิ่งว่าล้อไม่สงบนะพอเสียงดังมีเสียงดังมีคนคุยกันก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากนะแต่ว่าจะโกรธได้ง่ายจะหงุดหงิดได้ง่า ย, ายคนที่ติดสงบเนี่ยจะหงุดหงิดได้ง่ายนะ อารมเสียได้ง่ายอันนี้เจอบ่อยนะหลายคนที่มีพี่น้องหรือว่าลูกเนี่ยหรือบางทีพ่อแม่นี่นะไปไปเข้ากรรมาฐานนะแล้วก็เกิดได้พบความสงบและติดใจในความสงบขึ้นมาพออยู่บ้านเนี่ยอยู่ที่ทํางานเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายเพราะว่าสิ่งว่าร้องมาไม่สงบเนี่ยพอ ข้างนอกไม่สงบนะใจก็กระเพื่อมเพราะว่าถนัดอยู่กับการอยู่ท่ามกลางสิ่งว่าล้อมที่สงบจะได้ใจสงบด้วยนะอันนี้มันก็เป็นข้อเสียนะอจหลวงพ่อเทียนั่นก็เลยเห็นว่าให้ความสงบเนี่ยถ้าติดมันเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำให้เนิ่นช้าแทนที่จะรู้ก็กลายเป็นหลงไปก็ให้เลยเปิดให้เปิดตายกมมือนะเพื่อจะได้ มีความรู้สึกตัวได้ง่ายอันนี้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะมันก็สอนทำกับเราได้นะอย่างที่บอกนะมันช่วยฝึกสติให้กับเรานะถ้าเรามีอารมณ์มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยละ ถ, ถ้าเราไม่ไม่มัวหรือไม่ผ่านหงุดหงิดกับอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะฝึกให้สติเราเชี่ยว ช, ช, ชาญชำนาน เพราะว่าสติเรามีคู่ซ้อมเนนักกีฬาเนี่ยเก่งแค่ไหนนักชกเนี่ยเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีคู่ซ้อมเนี่ยฝีมือก็ตกนะแต่ว่าคู่ซ้อมเนี่ยใหม่ๆก็ควรจะเป็นคู่ซ้อมที่พอพอฟัดพอเบี่ยงกับเรานะก็เลยสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็จําเป็นต้องอาศัยบรรยากาศที่มันไม่กระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่านมากนะเช่นงดใช้โทรศัพท์งดการพูดคุยกัน เพราะการใช้โทรศัพท์หรือว่าการพูดคุ ย, ยมันกระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่างนง่ายๆจนกระทั่งสติเราจะเติบโตช้าแต่ถ้าพอมีความฟุ้งซ่านพอประมาณนะตามธรรมชาตินิสัยของเรานะมันก็ฝึกสติได้ความฟุ้งซ่านก็ดีหรือนิวร์เนี่ยนะมันสอนให้สติของเราเนี่ยนะรวดเร็วฉับไว จริงอยู่นะั่นในบางอารมณ์เนี่ยนะเราไม่ชอบเลยนะเพราะมันเครียดนะความเครียดแต่ความเครียดนี้ก็สอนเราได้นะมันสอนให้เรารู้ว่าเราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องอย่าไปมัวตีอกชกหัวหรือจะไปมัวรังเกียจนะความเครียดเพราะว่ามันกำลังบอกเรานะว่าเรา เพ่งมากไปแล้วอาจจะไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าหรือไปดักจ้องความคิดนะหรือไปพยายามกดข่มความคิดถ้าทําอย่างนี้มากๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเครียดนะถ้านะความเครียดเนี่ยมันสอนเรานะว่าให้เราเนี่ยผ่อนคลายลงสักหน่อยทําใจสบายๆอย่าไปโกรธอย่าไปอย่าไปโมโ oh หความเครียดนะเพราะนั่นจะกลายเป็นการซ้ําเติมตัวเอง เครียดนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอไปโมโหไปเกลียดความเครีอนเนี่ยมันหนักเลยนะความทุกข์ที่มันคูณสองคูณสามเลยแต่ถ้าเครียนเนี่ยแล้วก็ดูเห็นความเคลียดนะเออมันจะสอนเราแล้วที่จริงเนี่ยทุกอารมณ์น่ะนะรวมทั้งนิวรณ น, นะความง่วงนะความหงุดหงิดความเรืดอรําคาญความฟุง้งซ่านความรงเรศสงสัยพวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่สอนสติอย่างเดียวนะมันมันสอนทำให้กับเราด้วยเขาแสดงทำให้เราเห็นตลอดเวลาแสดงทำให้เห็นเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสอนให้เห็นว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันทนได้ยากนะทนได้ยหมายถึงว่ามันไม่สามารถจะพูดง่ายคือมันไม่เสถียร น, นะมันไม่สามารถทนอยู่ได้มันได้นานในสุดมนก็เสื่อมไปดับไป ก็คือมันสอนเรื่องอันที่จังทุกขังอนัตตานั่นเองอารมณ์พวกนี้เข้ามาสอนทําให้กับเราทุกครั้งนะที่เขาปรากฏนะแต่ถ้าเราไปหงุดหงิดหัวเสียหรือไปทุกข์หรือไปไปจมอยู่ในอารมณ์นะั้นเราไม่เห็นนะเขาจะสอนทำให้เราได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูถ้าเราไม่ใช่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนะไปเข้าไปเป็นนะเราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รู้ตามมารู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นหรือรู้ตัวว่าเรากาลังโกรธว่าเรากำลังโมโหกาลังเครียดแต่ยังรวมถึงรู้ธรรมด้วยนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานเราจะรู้ธรรมได้เนี่ยก็เพราะจากการที่เราดูเห็นอารมณ์เหล่านี้ทีแรกเห็นว่ามันเกิดขึ้นหรือดับไป ต่อไปก็เห็นธรรมชาติของมันลักษณะนิสัยของมันอันที่เราไต่ลักเนี่ยไต่ลั ก, กคือลักษณะสประการของสรรพรสิ่งนะก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีธรรมชาติมันมีลักษณะนะหลากหลายนะเยอะแยะไปหมดแต่เพียงแค่เราเห็นลักษณะแค่สามเท่านั้นแหละมันพอละ พอที่จะช่วยทำให้เราพ้นทุกได้ช่วยทำให้เจตเราเป็นอิสระได้คำสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายนะพระุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกามือใบไม้ในป่าส่วนความรู้ที่พูุ้ทธเจ้าสอนเนี่ยมีไม่มากนะเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกามือนะใบไม้ในกามือนี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่านะเราไม่ต้องรู้อะไรมากนะรู้แค่หลักหลักนะ มันก็ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้รู้นอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์นะแต่ว่ามันอาจจะเอาไปทำมาหากินอย่างอื่นได้หรือเอาไปคุยคุยคุยอวดได้แต่ไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์นะอย่างเช่นที่เมื่อวานนี้พูดถึงพระอนุรุท ธ, ธาท่านมีตาที่เนี่ยมองเห็นหมือโลกธาตุเนี่ยเห็นไปก็ไม่ได้ช่วยพ้นทุกข์นะแต่ถ้าว่าเห็นหรือรู้ความจริงของกายและใจเนี่ยมันทาให้พ้นทุกข์ได้ แล้วก็รู้ความจริงเนี่ยความจริงของกายและใจก็มีมากมายหลายอย่างนะแต่รู้แค่สามเนี่ยมันพอแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วจะรู้ได้ยังไงก็รู้จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็รู้จากความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับกายโลนทั้งความเจ็บความปวดความเมื่อยนะไอ้พวกนี้มันมาเพื่อสอนธรรมให้กับเรานะให้เรามองแบบนี้มันมาเพื่อสอนธรรม อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้จากเขาหรือเปล่าความง่วงนะความเบือ่อนะความหงุดหงิดนะความฟุ้งซ่านผู้นีนะ้อย่าไปเกลียดเขานะอย่าไปรังเกียจเขาจะไปอย่าไปต่อสู้ผักไสนะถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียท่ายิ่งผักไสก็ยิ่งจมหายเข้าไปเรียกยว่ายาิ่งต่อยิ่งผักไสยิ่งยึดติดนะเมื่อเข้ามานะ เราอย่าไปหงุดหงิดลำคาญอย่าไปต่อต้านเพียงแค่ดูเขานะ น, นี้แหละที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออมเขียนนั้นพูดโดยใช้คำว่ารู้สื่อๆนะก็คือแค่ดูแค่รู้แค่เห็นโดยที่ไม่ไปผลักใสต่อต้านนะเวลามาเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ผลักใสต่อต้านเวลาที่เป็นอารมณ์กุศลหรือว่า น่าพึงพอใจก็ไม่ใช่ไปไขว่คว้าหลงไหลนะแค่ดูเฉยๆไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเข้ามาเพื่อให้เรารู้เข้ามาเพื่อสอนธรรมเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากหน้าที่เราก็เพียงแค่ดูเฉยๆนะพระเจ้าเปลี่ยนมานกลว่าอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูลำธารที่ไหล แค่นั้นแหละหรือว่าเอาวัวไปเลี้ยงนะในในทุ่งหญ้าแล้วก็คอยดูนะดูวัวเนี่ยมันกินหญ้าในทุ่งนั้นเนี่ยมันเคยเป็นทุ่งนาแต่ว่าเกี่ยวข้าวหมดแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพะวงว่าว่าวัวมันจะไปกินข้าวใครก็แค่ดูห่างๆนะแต่ว่าดูเนี่ยนะทีแรกก็ดูแล้วก็เห็นว่ามันมาหรือหรือไปมัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ต่อไปก็จะเห็นนะเห็นธรรมชาติของมันเห็นลักษณะของมันซึ่งมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยนะรู้ธรรมแล้วก็ช่วยทำให้เกิดปัญญาจนสามารถทาให้จิตหลุดพ้นได้ความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์มาเพื่อสอนเราไม่ว่ามันจะมาในลักษณะใดความทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีมาเพื่อสอนเรา เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยหรือผู้เห็นเนี่ยนะอันนี้เราจะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเราเผลอหลงเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่เราเสร็จเลยนะความทุกเนี่ยที่มันสร้างปัญหาเพราะเราเป็นทุกเราก็าไปเป็นผู้ทุกนะที่จริงความทุกเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ย นะเราได้ประโยชน์นะอริยสัจข้อแรกเนี่ยก็คือทุกข์เนี่ยผู้เจ้าสอนว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกําหนดรู้ท่านใช้ค็ปริญญานะปริญญานี่ก็มันก็หมายถึงความรู้นั่นแหละทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุ ท, ทยัยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นทุกข์จะเข้าไปละเลยพอจะเข้าไปละไปสู้กับมันนะถูกมันดูดถูกมันกลืนไปเลยนะ กลายเป็นพูดทุกไปเลยอันนี้เรียกว่าเข้าไปเป็นแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกทูนะคือเห็นกําหนดรู้หรือว่าดูมันเราก็จะเกิดปัญญาเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกมันเกิดจากอะไรนั่นคือเห็นสมุทยัยแล้วก็ไปจัดการกับสมุทัยนั้นมันก็จะเกิดนิโรธนะคือความพ้นทุกข์งั้ทุกเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่ธรรมะ หรืออริยสัจเนี่ยอีกสามข้อได้ถ้าเราเกี่ยวข้องเป็นก็คือว่าเห็นมันครูบาอาจารย์บอกทุกเป็นสิ่งที่ต้องเห็นไม่ใช่เข้าไปเป็นนะถ้ามันเกิดขึ้นเราเกี่ยวข้องกับมันถูกได้ประโยชน์นะคือเห็นดูนะกําหนดรู้แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องไม่เป็นนะเราก็เป็นผู้ทุกข์ไปเลยนะแล้วพอเราเป็นผู้ทุกข์แล้วนะมันก็เหมือนกับตกนรกนะ มันไปต่อไม่ได้นะติดตันหรือถ้าจะไปต่อก็ไปต่อในทางที่เป็นอบายไปเลย mm hmm. เช่นพอกุ้มอกกุ้มใจก็ไปกินเหล้านะไปเล่นไพ่หรือว่าไปทำอะไรที่มันเสียหายหนักขึ้นแต่ถ้าเราเห็นทุกข์เราเป็นผู้ดูนะว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมาจากไหนอันนี้เกิดปัญญามันทําให้เราเนี่ยสามารถจะไปต่อจนถึงนิโรธ นะแล้วก็รู้ว่าอาจะใช้มรรคเจริญองค์มรรคอย่างไรนะถึงจะทําให้ความพน้นทุกข์มันเกิดขึ้นได้อนะเพื่อให้เราตระหนักนะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทั้งภายนอกและภายในเน่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะความฟุ้งซ่านความอารมณ์ต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปโกรธมันนะดูมันนะ ให้ถือว่าเขามาเพื่อฝึกเพื่อสอนให้เรามีสติรวดเร็วฉับไวและมาสอนให้เราเกิดปัญญาด้วยอ้าวชาวนี้พกทธทนนี้นะอ้าวครับ